<laughs> แล้วหลงหน้าหลงหลังอย่ากศึกษาอะไรกันเจีย๊ยเา็นี่งกงกเกิดเงินน <c oughs> <c oughs> ั้งพ่อเป็นคนพูดท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังฟังแล้วไอบทำไม่ใช่ฟังแล้วจำเอา พูดให้เอาไปทำมีงานอยู่เราก็ทำงานอยู่ก่อนพูดเพื่อเป็นส่วนประกอบกับการทำงานของเราพ้าพุทเจ้าก็แสดงแล้วกันหนึ่งเมื่อกี้นี้ เรื่องการปฏิบัติว่าทมนี่พระพุทเจ้าได้กล่าวด้แล้วตัดไว้ดีแล้วส่วนไหนเป็นส่วนชี่ลิว้วตัดออกแล้วของที่ปิดก็เปิดออกแล้วของที่คว่ำก็หายขึ้นแล้วแล้วก็ประกาศอยู่ช่องๆ อ, อยู่เสมอเมื่อเรา ได้ศึกษาเรื่องที่มันมีอยู่ในเรานี้จะจ้องจะเห็นลู่เห็นทางชีวิตเราไม่มีสองส่วนใช่ไหมมีกายมีใจไหมเออเรานั่งอยู่นี้มีกายไหมมีใจไหมกายมันเป็นอย่างไรใจมันเป็นอย่างไรเรื่องของจิตใจหรือว่าจิตวิญญาณ เรื่องของกายหรือว่ารูปธรรมันอยู่ด้วยกันในเวลานี้ตอนเช้าอาจจะหนาวความหนาวเป็นเรื่องของกายกายมันรู้จักมันก็ช่วยตัวมันเตือนมาธรมวัดก็ห่มพา้าเพื่อ ป้องการความหนาวบรนเทาความหนาวนี่เรื่องของลูกทาเวลาวันหิวเราก็รู้จักกินรู้จักหาใช้มีวิธีห า, าหาจินจนได้ตามสติปัญญาทางชีวิตไม่มีปัญญาหาจินก็ทำชั่วพ้นขี้แลากกโมย ป่วยให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วมันร้อนมันเจ็บป่วยก็รู้จักถ้าป่วยเดินไม่ได้นั่งไม่ได้ไม่จะนอนรู้จักที่เก็บที่ปวดเรื่องร่างกายมีสิงที่ช่วยเหลือมีหมอมียกมียามีโรงพยาบาล ช่วอยู่บางโลกที่เกิดกับรูปประธรรมรักษาได้บางโลกที่เกิดกับรูปประธรรมรักษาไม่ได้บางโลกที่เกิดกับรูปประธรรมไม่รักษาก็หายวางโลกที่เกิดกับรูปประธรรมรักษาก็ไม่หายรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเป็นอย่างนั้นเราคอยช่วยกันอยู่ มีบุคคลที่หนึ่งที่ 2. องมีวัตถุที่หึงที่สองช่วยเรื่องของลูกโลกอันหนึ่งคือจิตวิญญาณ น, นี้เ่อ น, นี้เรามาช่วยจิตวิญญาณไม่มีใครช่วยเราได้เกิดโลกทั้งจิตวิญญาณเราเป็นผู้เห็น เมันหลงเป็นโลกทางจิตวิญญาณถ้าเปรียบก็เหมือนกับมันหนาวต้องหาผ้ามาหม่มถ้ามันหลงก็ต้องมีเครื่องที่บรรเทาหรือแก้มันแก้ไม่ใช่บรรเทาแล้วเกิดจากจิวิญญาณมีแต่แก้ไม่แต่ช่วยให้เป็นคนร้อยแบบวิธีที่รักษาจิตวิญญาณ ก็มีการปฏิบัติตามหลักพระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้มีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีความเพียรอย่าปล่อยทิ้งอย่าปล่อยความหลงทิ้งไม่จะอักเสบไม่จะนอกงามไปทางโลกอีกหลายอย่าง เช่นควหนาวเราปล่อยให้มันหนาวอาจจะตายได้มันหิวเราปล่อยมันหิวอาจจะตายได้นี่คือชีวิตสองส่วนนี้เราปล่อยที่ยงไหมเวลามันหลงหลงเป็นหลงไหมถ้าอย่างนั้นเราปล่อยทิ่งตัวเองที่กิวิญญาณไม่ดูแลมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษ ไปกลายความหลงก็พาไปกลายมากมันเพราะเป็นชาติหรือความทุกข์ความโกรธอะไรต่างๆที่มาเกิดจากจิวิญญาณแต่ถ้าเรามีสติมันจะเห็นนะจะไม่จนมีวิธีที่เปิดได้มันไม่มืดเสมอไปในความหลงมีความไม่หลงอยู่นะ ในความทุกข์มัความไม่ทุกข์อยู่มันมีกักเสียอยู่มันมีสอนทางอยู่ยาจนต้องรู้จักช่วยตัวเองทางจิตวิญญาณมันก็ช่วยได้มากกว่ารูปนะช่วยจิตวิญญาณนี่รูปช่วยไม่จบไม่สิ่นดอกวันนี้ก่อนหนาวอันนี้ก่นอ น, นจะหนาว เชินเราหิวต้องกินทุกวันตอนเช้าก็ทานตอนสายก็ทานตอนเย็นก็ทานมีเยอะแยะทางรูปธรรมแต่ไม่วัตถุที่รที่โสหหามาเชนข้าวชาอหนึ่งอาจจะเป็นเงินเป็นแสนชื่อที่นาชื่อรถถอย ชผันข้าวถ้าแรงกูจะได้ข้าไม่ถึงมากินลงทุนไม่น้อยยังทําได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับนาองมะถมจิตวิญญาณนี้ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นอยู่ในตัวแล้วมีความหลงก็มีความรู้มีความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์มีความโกรธก็มีความไม่โกรธไอช่องสนตรงนี้ มันจึงจะมีค่ามันจะได้ชีวิตรูปประธมนี้ให้เท่าไหร่มันก็เจรกวก่าเท่าก็ตายตายไปกินมากจังตายมากใช่ไหมกินมากตายง่ายกินน้อยตายยากแค่ไหม <laughs> อันนี้เขาว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะเวลานีก็อยากกินรสอาหารมันก็กินแสบแล้วก็ <laughs> หมอ้อบอกว่าให้รถน้ำหนักลงก็ินแต่ข้าวต้ม อ, อันนี้ทางรูปธปรรมจินเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นวันเดือนปีผ่านไปเท่าไหร่ก็เป็นเกืนชีวิตไปเท่านั้นกินมากเท่าไหร่ก็ตาย ส่วนนะมามธรรมจิตวิญญาณนี้มันไม่เป็นอย่างรูปนะถ้าเราปฏิบัติต่อมันอย่างถูกต้องไม่ไม่ตายไม่หมดเวลาไม่หมดไปกับการเวลาในด้านจิตวิญญาณไม่ไปอยู่กับความหนุม่มความแก่อะไรต่างๆเลยไม่อยู่กับการเวลาไม่ขึ้นกับ เป็นอะไรทั้งหมดขึ้นตัวทาอย่างเดียวต่อตัวปฏิบัติอย่างเดียวเนื้อเมื่อพอจบก็สิน้นไม่เหมือนลูกต้องกินทุกวันความหิวต้องกินทุกวันเรื่องน้ามมาทำนี่ถ้าทําแล้วมันจบได้ในความหลงมันจบได้ในความทุกข์มันจบได้ในความโกรธมันจบได้ ไม่เหมือนส่วนรูปไม่มีอันอื่นมากที่เกิดกับกจิตวิญญาณเราจะมีสติมาเห็นเนี่ยมาทำเรื่องนี้กันอย่าปล่อยทิ้งลองทำดูลองเปลี่ยน้ล่เป็นดีปฏิบัติธทรรมเนี่ยมมาจาําเป็นกบเป็นกรรมขึ้นมาจริงๆริงล่วงพ้นภาวะเก่าผ่านไปได้เอาไว้ข้างหลัง ได้เรื่องกิจวิญญาณเป็นอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรมเรื่องชีวิตด้วยธรรมชีวิตส่วนในเรื่องด้วยฉินด้วยธรรมแต่ถ้าไม่ดูแลรักษาของร้อยกาศกัว่ารูปธรรมเป็นทุกข์เป็นโทษมากเป็นภูมิของเปลิดเป็นภูมิของสุโลกยัยเป็นภูมิของสัตว์ในโลกเป็นภูมิของสัตว์ในฉลก เรื่องนางมาทรรมนี่มนุษ์สาเปตุเป็นเป็ดเป็นสนกุกเป็นพบเป็นภูมิเคยเจ็บเจ็บตายเกิดดับเกิดดับมากกว่าลูกถ้าเราไม่ดูแลเราอย่าปล่อยเที่ยงกั น, กนเถอะมาปฏิบัติธรรมให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมา แล้วที่จะเห็นลูกแจ้งเข้าห้องเรียนห้องฝึกห้องปฏิบัติคือกรรมฐานนี่แหละจะได้เปิดตัวเปิดเผยเห็นกระแสให้มีความบากบั่นสักหน่อยอย่า่อยตัวเองเิ้งลูกบิทองมันทำผิดมันก็เป็นทุกข์เหมือนกนนามธรรมทำผิดก็เป็นทุกข์ ป ร, ป, ปรับโทษปรับโทษผิดศีลได้เป็นศีลเนี่ยเรื่อกรูก ป, ประทามพูดไปจึงผิดศีลทําไปจึงผิดศีลดยเฉพาะคําพูดเนี่ยพูดให้ขอลอกก็ได้พูดให้เขาเกลียดก็ได้พูดให้ได้เงินก็ได้พูดให้เสียงเงินก็ได้พูดให้ติดคุกติดตรางก็ได้ พูดในคนกราบไหว้ก็ได้พูดในคนฆ่าตัวเองก็ได้ในคำพูดก็สมกันเหมือนกันในกายก็สาคัญทวากันของกายแต่ชั่วได้หลายอย่างก็มีและเบียบมีกฎหมายต้องรู้จกักต้องรู้จักความผิดที่มันเกิดกับบาจารี่มีอยู่เก็บรูป มีการกระที่เกิดกับกาย ก, ก็ให้รู้จักเรียกว่าลู่ระเบียบวิหน่อยการใช้ชีวิตให้พอสองควรเอาตัวรอดให้ได้อย่าเป็นทุกข์เป็นโทษในคำพูดอย่าเป็นทุกข์เป็นโทษเพราะการกระทำไม่สมาชีพโดยสุจริตอย่าเป็นมิจฉาชีพในคําพูดก็เป็นวิจีสุจริตเป็นประโยชน์ ในกายกเป็นกายสุจริตเป็นประโยชน์จะให้เกิดทุกข์ก็โทษ ต, ต่วตัวเองและคนอื่นทางกิตวิญญาณก็เป็นจิตมโนสุจริตมีศินผิดสินเหมือนกันราลู่หลักเกี่ยวกับการจิตวิญญาณของตัวเองแล้วก็ทําได้มากกว่ากายผิดสินดังมโน หลารายกาศเหมือนกันเป็นทุกเป็นโทษเนีย่ยปฏิบัติธรรมมันเป็นการกอบกู้ชีวิตทั้งสองขี้สองส่วนได้มักใต่วนขึ้นมาจริงๆิงยิ่งพวกเราเป็นคนวัดคนว่าวริโดีอังหารคนอื่นอมกีวรคนอื่นอยู่ เสีน้าเสีน้คนอื่นสร้างง่ายเจ็บคว้ดิผัวคนอื่นช่วยรักษายิ่งประมาทไปได้อาจจะเข้มแข็งหน้ากลัวญาติโยงผู้เป็นคราวญาญาติโยงก็าหากินเดงาหาอยู่เองอาจจะเป็นบาปน้อยถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมนี่ก็เอาเปรี่ยนปัจธาญาติโยง ม, มันจึงสนับสนุน เฉพาะชีวิตักวดเนี่ยถ้าไม่พัฒนาได้ในเพศนักปวดนี่จะเป็นครา ว, าว่ายากยิ่งยากลาบากนักง่าราะเราจึงเถือ่อเกิดชีวิตเป็นนักปวดเนี่ยมันเหมาะมันสะดวกมันสนับสนุนให้เราได้ทำความดีมากที่สุดเวลาไปเวนเทอร์ บ, บาทเห็น ชาวบ้านทุกๆจ น, จนโจนโรโลบวัดเราเนี่ยเอาก้อนข้าวใส่บาตผห่มผ้านุ่งผ้าเก่าๆขา ด, ขาดเราจะไปมีความสุขได้ไงมันเป็นการทำให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นมาด้วยความไม่ประมาทนี่คือปฏิบัติธรรม ถ้าเรามาดูจริงๆชีวิตเราสส่วนนี้มันไม่ปล่อยทิ้งจริงๆมันจะมีงานมีการทําจริงๆยิ่งเวลาเราฝึกวิชากรรมฐานี่เป็นวิชาที่ทัศนานุตตะลิยะเห็นทุกเรื่องที่มันเกิดกับกายกับใจที่มันจะดงออกโดยศึกษาได้ปฏิบัติต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างถูกต้องเมื่อ ยัดเจนแม่นยำมันก็นตือเรือหล้นไม่เคยเปลี่ยนความหลงก็เปลี่ยนความหลงเป็นรู้ไม่เคยเห็นความหลงก็เกิดเห็นความหลงขึ้นมาเห็นกิเลสตันหาขึ้นมาที่มันเราไมาเคยรู้จักแต่ก่อนเราอยู่กับมันรับใช้มันง่าย เราหี่อุบาไหนก็ได้อยู่เพราะความคิดเตํมๆมันหมดแบบนี้เรามาศึกษามาดูมาเห็นเนี่ยมันมันเป็นของจริงสัมผัสกับความเท็จความจริงในคราวเดียวกันเราศึกษาที่ไหนไม่มีอีกแล้ว ไม่มีมหาพลัยใดที่จะให้บอกความทิศความริงต่อชีวิตเราจริงๆเหมือนวิชากรรมฐานในความหลงมันมีความไม่หลงในคราวเดียวกันสัมผัสโลกสองทางสองด้านัายุยมจักเลือกเป็นรูจักเลือกเป็นรูจักปฏิบัติต่อโลกที่มันเกิดกับเราอย่างถูกต้อง เมื่อปฏิบัติตร ต, รต้องก็เป็นกรบเป็นคำทันทีทันทีทันทีไม่หลอเลยเป็นปัจจดตังของผู้ปฏิบัตินี่คืออุดมสมบูรณ์ในการศึกษายิ่งกว่ามหาวิยาลยที่โลกเขาว่าเป็นชั้นอุดมได้เห็นของกิิงที่เกิดกับรูปกับนามได้เกี่ยวข้องในอย่างถูกต้อง ถ้าทำถูกต้องก็มีผลขึ้นมาต่อชีวิตเราเองไม่ต้องไปขอใครไม่ต้องไปถามใครอีกด้วยเป็นจิตทิ่ร้อยเปนได้มีโอกาสใช้จิทธิเมากที่สุดต่อตัวเองไม่มีระวังค้าบเราได้การอยู่ในการศึกษามันต้องมีสิ่งบังคับพ่อปฏิบัติอะไรมากมาย แต่ว่าปฏิบัติธรรมเนสิท้อยเปอร์เนเหมือนหลงเรามีสิทธิไม่หลงใช้สิทธิอย่างองอาจแกยวก้าสง่างามในความที่มันไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตเราเหมือนโกรธมีสิทธิไม่โกรธเราใช้สิทธิในครานั้นมันก็ยิ่งใหญ่ไม่เหมือนอย่างอื่น ไม่ต้องขอยากิายไม่ทาอย่างนี้มันซึ่งใจมันเป็นความชอบที่สุดของชีวิตเรานะมันประกอบปังกัมขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้บางทีถ้าเราบอกบันเหมือนพระเจ้าว่า แม่เลือดเลือเหงื่อเอ็นกระดูกจะผูพังไปก็ตามเลือดหนังนะ่ชิละนี่จะเหงืออแท่งไปก็ตามจะง่อยท่อถอยมหาบุุษของเราได้ตั้งอย่างนี้ขึ้นมาปานนั้นนะพุทธเจ้าของเราเนี่ยศ ส, สดาของเราเนี่ยในคืนวันเพ็ญเดือนหกนับจากนี่ถอยล้างไป สองพันห้ารอยเก้าสิบเก้าปีใช่ไหมอาจจะสอง0ันห้าร้อยหกร้อยปีแล้วนับอีกปีหน้า่ไหมนับจากวันตัดสรูนนะถ้านับจากปฏินธ์ก็สองพันห้ารอยสี่สองันห้าร้อยห้าสิบสี่นับอีก 49, สี่บเก้าพันษาเข้ามาสองพันห้ารอย ห้าสิบสี่สี่สิบเก้าบวกเข้าไปก็สองพันห้ารอยตอบดูชิสมลักเป็นเท่าไหร่ <laughs> สมญิง่งสองพันห้ารอยเก้าสิบเก้าปีฮะน้ว่าในเขื่อนนั่นอ้า เลือดเมื่อเงอเอ็นกระโดกแก้วผูปังไปก็าตามเราจะนั่งอยู่นี่ไม่ลุกต้องไม่บรรุธรรมอันประเสริฐเอ็นโล ก, กุตระจะยอมตายที่นี่มีบุคคลใดที่ทำพิคิดอย่างนี้ตั้งใจแน่วแน่อย่างนี้นู่นชาชดามหาบุรุษของราครูของเราที่ทํามาแล้ว ขาะที่ทำเมา่เกิดไหลขึ้นมานมากมายเราจะลำบากกว่าเราที่อยู่สุโตโตด้วยนะเรามีสอลานั่งมีข้าวมีผ้าห่มมีน้าใช้ไฟสว่างอาบลุษของเรานั่งต้นไม้ต้นเดียวเป็นดงด้วยนะพุทธขยาเนี่ยเป็นดง เราจะน่ากลัวมากลําบากวคนเราไม่มีเพื่อนสักคนเดียวเลยก็อาจะมีความยากลําบากหลายอย่างไม่สะดวกหลายอย่างแต่ไมาคิดหลายอย่างจนเกิดมาหมอนขึ้นมา ขันธามารกลัวตายจะเป็นไข้เป็นร้อนเป็นหนาวขึ้นมาผลตกก็เปียกย่อมเป็นทุกเรื่องรูปเรื่องกายว่าขันธา์มารกิเลสดมารคิดไปเรื่อยมายปุ้งแจงไปเป็นคนหนมย่อมคิดเหมือนบุคคลทั่ ว, ว, วไปยิ่งมีลูกมีเมียมีหน้าที่เป็นบ เจ้าพ่อชายยิ่งจะคิดมามาเปรียบเทียบคนได้ยังไงกับต้นไม้ขันทมานชิเลตมานมัดุ ม, มานขันในก็มีเปลี่ยนแปลงน้ำาบินหลงไปถ้าสีอาจจะเพี้ยนไปบ้างอาหารในท้องก็ไม่ค่อยจะอิ่มจะพอมีเด็กเกี้ยงควายหรือ พิษนม อ, อะไรมาให้บ้างขอบ้างหิวบ้างเน่นขนาขณะที่มานั่งอยู่นั่นก็เกียนตายมาแล้วจนได้จับลูกจับอาบรองอาบน้ำส่งน้ำแม่น้ำแหลนฉลาต้องโศมขึ้นฝั่งงดเลี้ยวบนแรง6ปีไม่กินข้าวจินน้ำไม่มีเลี้ยวบนแรงเลย ยิ่งตอกใครก็ความตายมากที่สุดโยมมีเวทนาทุกมากกว่าพวกเราพวกเราจรงาิงเข้าอี่ไหมหลอมเย็นยี่ไหมอู้ไม่ไม่ลําบากนะน่าจะบากปันนี่คือมหาบุรุษได้ต้องกินอย่างนี้ขึ้นมาขวบบากปันไม่ทอดถอต่ไม่ลุก นอกจากนั้นตั้งใจนะสองครั้งสองคราวที่แน่วแน่ต้นจะบรินินพานบอกผ้านอนโป้สังขาลงระหว่างต้นไม้สองต้นเราจะนอนไว้ลุกอยู่แล้วนะที่แรกกเราจะนั่งไว้ลุกอยู่แล้วแบบนี้เราจะนอนจำลุกอยู่แล้วหมายถึงจะตายแล้ว มีต้นไหวสองต้นกุชินาลาเดินทางจนถึงวันจะตาย80ิปีกอนกว่าลวงพว่อกรมหน่อยนึ่งหลพอกรมแปดถึงหกปีเดินทางมาถึงกุชินาลาเขียนตายไปแล้วอราง มีบุคคลนี่ก็มีอะไรที่เรายากลําบากต่อรองกับตัวเองอะไรเอามาอ้างอะไรมายากดังนั้นเรื่งเก่งบากปั่นจาน้านอนภาษาความหลงก็ไม่ฉี่ชา่าฉีมามาหลวออยากจะตะโกนบอกว่าสิ่งที่มาเกิดกับกายกับใจไม่เป็นเรื่องน่ากลัวเลยนะ สู้ได้ทุกเรื่องสู้ได้ทุกเรื่องเปลี่ยนไล่ทุกเรื่องยิ่งไหนที่เกิดกับกายกับใจเป็นอาการต่างๆไม่น่ากลัวสักอย่างเลยแต่สิ่งที่มาภายนอกกันป้องกันได้ยิ่งยุงความหนาวป้องกันได้แต่มันเรื่องที่เกิดกับกจิตวิญญาณเนี่ยอาจจะลบกวนมากที่สุดเวลาเราปฏิบัติหนึ่งต้องคิดละ ควาคิดที่มันคิดพุ่งมันกวนมาต้องพุ่งธรรมดาต้องเห็นวันมีจิตเห็นวันนี่ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนหลงเป็นรูเนี่ยมันอิ่มนะเหมือนหิวได้จิตข้าวมีชีวิตชีวายิ้มเกิดอะไรที่ผิดได้เปลี่ยนเป็นถูกแนตะ่มันอีม้มมันงอกงามขึ้นเนี่ยมันได้ชีวิตขึ้นมา ได้ความเห็นได้กว่าไม่เป็นไปกับเรื่องต่างๆที่มันเกิดกับกว่ากับใจเนี่ยมันมีชีวิติีวานะโอูเป็นพรมวจารณ์นะมันบริสุทธิ์นะมันไม่เปื้อนนะได้เห็นไม่เป็นเนี่ยมันอิ่มมันเป็นพรมวจารณ์เชี่บนะไอ้สมปะอร่อยอหมือนพระเจ้าว่า ผม พ, พระอาจารย์ น, นี้หน้าเดิมเหมือนมันดาะยอดโอชาแห่งโครถโครถยอดโดโชาแห่งโครถแดงคืออะไรเล่าใครรู้จักแต่พระเจ้าเปรียบพระอาจารย์ น, นี้หน้าเดิมเหมือนโยอดโ ด, โดโชาแห่งโครถมันเรื่องโครถคืออะไรอันนี้จะยินแต่รำลาไปอ่านดูว่าโอโครถเนี่ย อาจารย์พุทธาตอธิบายจากบาหลีว่าเอาแม่ดมมาแม่วัวที่มีรวมสมบูรณ์เกตล้อยตัวเลีดมาในแม่วัวที่สมบูรณ์ที่สุดเกตล้อยตัวมารวมกันเอามากันเป็นนมเป็นเนยเป็นเนยเรียกว่าโอชาแห่งโคโรต กืเนเนยที่ได้จากแม่หัวที่ชมกุนเจ็ดอยตัวมากันจนเป็นโนมเป็นเนยหุนหน่นเนยแข็งมันมีรสเท่าไหร่รสทเราไม่ได้กินหรอกนะ <c oughs> เร า, าเปรียบเทียบนะแต่รสพระทํามนี่สัมผัสได้ในความบริสุทธ ได้เห็นทุกเรื่องที่เกิดกับก่ากับใจเห็นไม่เป็นเนี่ยก็ทมันเรื่องที่ชีวิตชีวามันได้ชีวิตตรงนี้นะแต่ยอดใหม่ตรงนี้นะต่อยอดชีวิตไปอันรูปมันเกลียเจ็บตายเราได้ประโยชน์จากความปัญหาที่เกิดกับกา่าได้เป็นปัญญา นมามเมตาที่จิตวิญญาณมันมีกิเลสพันห้าตันหาร้อยแดได้ปัญญาจากมันมันมีฐานให้เราได้โลดได้เหยียบมันลงได้เกิดความสูงจากที่มันมีให้เราเหยียบไม่เห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์พ้นทุกข์มีการกระทำอย่างเป็นวิชาการพูะเจ้าได้บอกจง ปัจัยสามอาการส2บสองเกี่ยวกับตอริสต์สี่ทุกสมุทยัยโรดมุกคืออย่างไงก็เป็นทุกข์ก็เหมือนงูกำลังแผ่แม่เบี้ยระวังนะก่อก่อเลยเลยฉัม่งานไปไหนะเป็นดงกูจังอางเหรอ งูไผองูไผไม่เหลีย่ยงนหนมันเป็นชั้นเป็นอะไรมฟงดเห็นหลายข้างแล้วมันเลื่อยออกมาว่ า, าจะลองสะเวลาเห็นเราเดินไปมันไม่หลงมันเลี้ยวเข้ากับไม้อได้ตีหางมาหลายทีแล้วนะเห็นงูจะไม่ให้งูกัดเลยมบ้าจะแล้วคน เห็นทุกนปัจจัยสระเห็นแล้วเนี่ยมันเลื่อยมาเราก็หยุดไม่ใช่เดินกันไปฮะมันมันเลื่อยจะลองสระใช่ไหมเราก็หยุดนะเห็นเห็นนะก็หยุดเราก็ถอยออกมาถอยมาที่แหนก็ใกลมั้ยออยไปถอยอก็เรื่อยก็พ้นหรือยังถอยไปแล้วพ้นไหมนั่นพ้นแล้ว เห็นปัจเจ้าสามเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์พ้นทุกข์เห็นอะไรต่างๆเหตุได้เกิดทุกข์ไม่ทําเหตุพราจากเหตุทำไม่แจ้งรู้จริงๆในความทุกข์ไม่ใช่ความสุขรู้จริงๆไม่สงสัยเลยตัดทินงใจทันทีในความหลงไม่ใช่ความรู้สมเได้ หลงดีไหมรู้ดีไหมไม่มีคำถามตัดทิ้งใจเลยปัด จ, จดตังไปตทีเดียวเห็นอย่างนี้มันอาจจะทำไม่ทาไม่ได้ยังไงทำได้ทุกคนวิธีปฏิบัติต่ออภิสุรรอดธรรมก็มสะดวกที่สุดมันง่ายกว่าละยยงใช่ไหมละอยมันเกิดต้อ ง, องพราจังคันนี่ก็ไม่ถึงนะ <laughs> แตกเดือดร้อ น, น อันนี้อย่างยากอันงันความทุกข์มันไม่ใช่มือใช่ไหมหรือทำใจอย่ า, ายยงแยบกายนั่งนิ่งๆก็ได้อาจจะยิ้มเห็นมันทุกข์อ๋อก็เคยพูดเนะเยพูดเรื่องนี้เวลานอนอยู่ลงไปวานจุฬาแล้วหัวช่างก็เคยไปดูมีคนถามเป็นไงหลวงพ่ อ, อว่าสนุกป่วยสนุกเก็บ วาอย่างนี้จริงๆนะได้พูดคานี้จริงเข็บปวดท้องอย่างหนักกะนกเก็บตรงอกป่วยหายใจไม่ได้บอกเพื่อนว่าไม่พ้นคืล น, นี่แ น, น่นอนมันแหลมลมนอนานเหลือเกินไม่เอ้ยไม่ไม่ไมไมไมทุกข์อ่ะไม่มีอะไรที่จะเพิ่งเกิดทุกข์ที่เกิดกับลูปเลยมีแต่เห็นตามความเพี้ความจริงของมันเนะ่ย แหลมลมมาไหลวันต้องเอาใายออกซิเจนมาใช้ชั่าค่อยแหลมลมจนบอกได้แล้วว่าไม่พ้นเืินนี้แน่นอนหมอสุกส่วนยุกก็ห้องไอะอยู่ตายไปด้วยอีมีทุกจริง เจ็ปวดทุกข์ก็ไม่มีทุกข์เห็นไม่เป็นกับมันนี้ทําไม่ได้ทุกคนเนาะชีวิตเรานะต้องมีแน่นอนเกิดเจ็บเจ็บตายต้องมีแน่นอนที่กุดเลยภาษาความหลงก็เป็นทุกข์เพราะความหลงโขมโกรธก็เป็นทุกข์มันอ่อนแดต้องเข้มแข็งแต่ในเก้าแรกเปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนเป็นได้นี่คือปฏิบัติธรรมมีไหม เวลาเรามาเรียนจะกรมสร้างจังหวะมีหลวงไหมต้องมีแน่นอนมีความง่วงไหมต้องมีแน่นอนมีความทุกข์ความสุขความคิดอะไรตา่างๆเปลี่ยนมาเปลี่ยนรูปนี้ก็มาลูจากตัวลงที่นี่ลงที่นี่เปลี่ยนมาลงที่นี่เอามาลงใส่สังขยะที่นี่จะเป็นขยะที่เป็นมาลงที่นี่รูมารูมารูมาลูผสมได้ทุกชีวิต อะไรก็ตามที่มันเกิดกับการกระใจมาเป็นปราวะที่ลู่ที่ลูที่ลู่พราอยากบอกอยากสอนเดี๋ยวจะไม่มีอีกแล้วมีีเจะอาจารย์หนุมน่มๆอาจารย์ทงถินอาจารย์โนดอาจารย์น่แต่ขอพูดแช้งกันจากหน่อตอนนี้กันหลังเนาะผมชวนใจเวลากับฝ <Yeah. S 1> <c oughs> ากฟกัน